ตลอดสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปช่วยงานอของหมูสงเพื่อเตรียมงานให้กับหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะที่หลวงพ่อได้บรรยายเพราะว่ามีการเปิดเทปหรือว่า ซีดีคำบรรยายของท่านอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้านะจนจนเย็นการที่ได้ฟังเสียงของท่านแม้จะไม่ใช่เสียงสดๆแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับท่านยังอยู่ยังอยู่กับเราอันนี้ก็คง ค, คล้ายๆกับที่หลวงพ่อได้เขียนบันทึกเอาไว้ ในช่วงอาพาธว่าธาตุขันธ์จะอยู่ไม่ได้นานนะแต่ว่าความเป็นกาลยนานมิตรนะจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหลวงพ่อก็ยังอยู่กับเรานะนนการได้ฟังธรรมก็ทำให้มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะระยะ เราก็ได้มีโอกาสนะฟังแล้วก็ได้ยินข้อธรรมหลายอย่างของท่านซึ่งทำให้เกิดข้อสังเกตขึ้นมาก็คือว่าในคำบรรยายของท่านหลายต่อหลายครั้งนะท่านจะพูดทำนองเนี่ยนะว่า ในทุกมีความไม่ทุกในโกรธมีความไม่โกรธนะในหลงมีความไม่หลงเปลี่ยนนะทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงความทุกมันทำให้ไม่ทุกความโกรธทำให้ไม่โกรธความหลงทำให้ไม่หลงพวกเราที่ฟังคำบรรยายของท่านจะสังเกตได้ว่าเนี้ย เป็นถ้อยคํำหรือข้อความที่เราได้ยินจากท่านน่อยู่บ่อยและถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะไม่ได้พูดทํานองนี้จะไม่มีสำนวนแบบนี้เนี่ยหรือไม่ค่อยมีสำนวนแบบนี้เนี่ยจากปากของครูบาอาจารย์ท่านอื่นเลยเพราะนั้นพูดได้ว่าสำนวนแบบนี้หรือข้อความแบบนี้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ ของหลวงพคอคำเขียนเลยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นมากกว่าเอกลักษณ์นะเพราะว่ามันมีสาระที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ในข้อความในคำพูดเหล่านั้นซึ่งแน่นอนนะไม่ได้มาจากความคิดของท่านแต่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติเกิดจากสภาวธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วก็ได้เข้าถึง ในทุกมีความไม่ทุกในโกรธมีความไม่โกรธในความหลงมีความไม่หลงข้อความหรือความพูดแบบนี้มันบอกอะไรเรามันบอกให้เราได้ตระหนักว่าความทุกข์ก็ดีความหลงก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกำจัด แต้จร ok ิงแล้วเนี่ยตลอดแสวงหาความไม่ทุกแสวงหาความรู้ความรู้ตัวหรือว่าแสวงหาความไม่กลรธความสงบก็หาได้นะจากความทุกข์ความหลงความโกรธนั่นเองผู้คนมักจะเข้าใจว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดความโกรธเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดความหลงเป็นสิงที่ต้องกําจัด แต่ลุงพ่อท่านพูดอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าไม่ต้องกำจัดหรอกนะเพียงแค่ดูให้ดีๆนะในความทุกข์ก็จะมีความไม่ทุกขนะ์ในความกลัวก็จะมีความไม่โกรธในความหลงก็จะมีความไม่หลงนักปฏิบัติธรรมจำนตนมากก็มองในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดต้องทำลาย ซึ่งก็นำไปสู่การกดขนะ่มเวลามีความโกรธมีความาความโกรธก็พยายามกดข่มเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์นะในสําหรับคนที่ต้องการทําความดนะีเราต้องการทําความดีเราต้องการรักษาศีลเวลามันมีความโกรธความโลภความหลงก็ต้องกดข่มเอาไว้เช่นอยากจะทําร้ายใครอยากจะด่าใครอยากจะขโมยของใคร ต้องกดต้องข่มเอาไว้โดยอาศัยขันติคือความอดทนความอดกลั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสหรับการทำความดีแต่หลวงพ่อนะท่านสอนให้เราเนี่ยก้าวไปสูงกว่านั้นมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ทำดีแล้วก็ละชั่วนะแต่ว่าฝึกจิตนะให้ เห็นความจริงเนะพราะความจริงอันเกิดจากความจริงที่เข้าถึงด้วยปัญญาเท่านั้นนะที่จะทําให้พ้นทุกได้และการที่จะมีปัญญาเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นนะเห็นความจริงที่ปรากฏในลักษณะต่างๆรวมทั้งความจริงที่มาในรูปของทุก์ มันในรูปของความโกรธความหลงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถจะสอนธรรมให้กับเราได้เมื่อมีทุกข์นะแทนที่จะกำจัดทุกข์นะก็มาพิจารณาทุกข์ก็จะเห็นความไม่ทุกข์นะมันซ่อนอยู่เหมือนกับในผลไม้เนี่ยมันมีเปลือกมันมีเนื้อ แต่ว่าแกนกลางของมันคือมเมล็ดเราต้องเราต้องการมเมล็ดเนี่ยไม่ใช่เราทิ้งผลไมนะ้เพียงแต่เราต้องต้องปอกนะต้องผ่าแล้วเราก็จะได้มเมล็ดนะถ้ามเมล็ดนั่นคือความไม่ทุกข์ความพ้นทุกข์เราก็จะเข้าถึงได้ก็จากการที่เรามองทะลุ มองทะลุเปลือกมองทะลุเนื้อนะจนก็ตั้งไปเห็ น, มนเมล็ดมันอยู่ด้วยกันนะทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยเมื่อเราพิจารณาความทุกข์เราก็จะเห็นว่าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์แล้วเมื่อเห็นสาเหตุของความทุกข์สาเหตุของความไม่ทุกข์มันก็แสดงตัวคู่กัน เวลาเราโกรธแทนที่เราจะกดข่มมันเราลองดูความโกรธนะเราก็จะเห็นว่าขณะที่จิต ก, กําลังร้อนเนี่ยร้อนรนเราจะเห็นไฟที่มันเผาใจให้ร้อนไฟนั่นคืออะไรคือความโกรธเวลาเรามีความอยากแล้วเราร้อนอยากจะได้เนี่ อันนี้คือตันอันนี้คือความอยากที่จะได้มันทําให้เราร้อนเป็นทุกข์เราลองดูความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นไฟที่กําลังเผาใจให้ร้อนเวลาเราทุกข์แล้วเราดูมันโอ้อมเราสึกหนัก อ, อกหนักใจแล้วถ้าเราดูความหนัก อ, อกหนักใจเราก็จะพบว่าที่มันหนักก็เพราะแบกเอาไว้นในความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่มัวแต่ จะกำจัดมันจะผลักสายมันเราเห็นมันเรามองมันเราจะเห็นที่มาสาเหตุของความทุกข์ภาษาไทยเนี่ยนะพูดไดีนะว่าเนี่ยเวลาทุกข์เนี่ยมันมีหลายแบบทุกข์บางทุกข์บางอย่างคือความหนักอกหนักใจทุกข์บางอย่างคือความร้อนรุ่มถ้าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเนี่ยตอนนี้กลาลังหนักอกหนักใจเนี่ย เราก็จะพบต่อไปว่าอ๋อที่มันหนักเพราะแบกใช่เพราะถ้าไม่แบกมันจะหนักได้อย่างไรทันทีที่เรารู้ว่ากำลังหนักอกหนักใจเนี่ยมันมันเฉลยไปในตัวแล้วว่ากาลังแบกทันทีที่เรารู้ว่ากำลังร้อนรุ่มมันเฉลยในใจมันเฉลยในตัวแล้วว่ากำลังถูกเผาด้วยไฟแห่งความโกรธหรือความโลภ ก, ก็เห็นสมุดไทยนะเมื่อเราเห็นสายแห่งความโกรธ อาสมาเราจะเห็นสายแห่งความทุกข์ไม่ว่าทุกข์นั้นจะชื่อร้อนรุ่มโกรธหรือว่าหนักอกหนักใจเราก็จะเห็นเราก็จะพบว่าสายแห่งความไม่ทุกข์นั้นคืออะไรมันบอกในตัวเพราะฉะนั้นในอริยรรสัจสี่เนี่ยเวลาท่านพูดว่าทุกข์มีทุกข์แล้วก็มีสมุดไทยคือสายแห่งทุกข์ แล้วก็นิโรธคือสิ่งที่ตรงข้ามกับทุกคือความไม่ทุกเนี่ยข้อที่4แทนที่จะเป็นสาเหตุแห่งความไม่ทุกเหมือนข้อที่สองที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกกลับไม่ท่าไม่พูดถึงสาเหตุแห่งความไม่ทุกหรือสาเหตุแห่งนิโรธไม่พูดเลยเพราะมันเฉลยอยู่ในตัวแล้วจากสมุทัยนะสมุทัยคือสาเหตุแห่งความทุกเมื่อเห็นสาเหตุแห่งทุกมันก็บอกในตัวแล้วว่าแล้วถ้าจะไม่ทุกมีสาเหตุจากอะไรก็คือตรงข้าม นะทุกเพราะตัณหาทุกเพราะมานะทุกเพราะทิฏฐิหรือทุกเพราะโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นทําไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ไม่ทุกข์ดังนั้นเนี่ยอริยสัจข้อที่4จึงไม่ใช่สาเหตุแห่งความไม่ทุกข์นะแต่เป็นวิธีการเลยวิธีการที่จะทำให้สาเหตุนั้นปัจจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ นั้นนริษสัจสีเราจะพบว่าผู้เจา้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงสายแห่งความไม่ทุกข์หรือสายแห่งนิโรธแต่พูดถึงวิธีการที่จะทำให้สายแ ห, ยห่งนิโรธนั้นเกิดขึ้นได้เจ้าคือระยะมรรคมีองค์แปดนั้นที่หลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอว่าในทุกเนี่ยมันมีความไม่ทุกเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันเป็นการเชื้อเชิญให้เรามองมองความทุกข ไม่ใช่กำจัดทุกข์ซึ่งก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องรักทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้ในที่ที่ฉนใช้คำว่าปริญญาปริญญามันก็คือการเห็นการรู้รอบนั่นเองรู้เพราะเห็นเห็นความจริงก็เกิดปัญญาขึ้นมาเอาใ้เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยนะอย่าไปคิดแต่จะกาจัดมันแต่พึ่ตะพืน ะ, พ น, นะให้ลองกลับมาเฝ้าดูหรือเห็นมัน เราก็จะเห็นความไม่ทุกข์ไม่มีความโกรธอย่าอย่ามัวแต่หรืออย่าคิดแต่แค่การไปกดข่มมันเอาไว้ลองมองดูความกลัวก็จะเห็นความไม่โกรธมันอยู่ด้วยกันนะความกลัวความไม่โกรธเหมือนกับในทุเรียนนะที่มันมีหนามแหลมมันก็มีเม็ดที่อร่อยอยู่หน้าที่ของเราคือว่าไม่ใช่ทิ้งทุเรียนใครที่ได้ทุเรียนมาทิ้งไปเนี่ยเพราะว่ามันแหลมมันทิ่ม มันทิ่มตัวมันทิ่มมืออันนั้นเรียกว่าคนโง่คนฉลาดคือว่าต้องเฉาะนะผ่านทะลวงเปลือกที่มันหนาและคมเราก็จะได้มเมล็ดนะได้เม็ดที่อร่อยนะในทุกนะั้มันมีธรรมที่ซ่อนอยู่เหมือนกับมเมล็ดที่มันซ่อนอยู่ใน อยู่ภายใต้เปลือกแล้วก็เนื้อของผลไม้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทําลายนะและการที่หลวงพ่อได้พูดว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกขนะ์นะเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงเนี่ยมันก็บอกอยู่เหมือนกันว่าทุกข์และความไม่ทุกข์เนี่ยมัน มันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันแบบที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วเลยหรือว่าอยู่คนละที่มันอาจจะเปรียบได้กับมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายกับมือขวามือซ้ายกับมือขวาอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะและที่จริงความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะขาวกับดำมืดกับสว่างมันก็อยู่ด้วยกันเงาเกิดขึ้นได้เพราะมีแสงหรือความสว่าง และในความมืดนั้นก็มีความสว่างอยู่อากาศเวลาเวลามืดๆเนี่ยนะเรานึกว่าไม่มีแสงนะแต่ว่าสําหรับหนูแล้วเนี่ยเขาเห็นชัดเลยเพราอสําหรับหนูแล้วเนี่ยในความมืดของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่มันอยู่ด้วยกันนะทุกข์กับความไม่ทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันแต่เปรียบได้เหมือนกับมือซ้ายกับมือขวา ถ้าเรากำจัดมือซ้ายมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะขอโทษพูดผิดมันมือกับหน้ามือกับหลังมือคือด้วยกันถ้าเรากำจัดหน้ามือหลังมือก็หายไปด้วยถ้าเรากำจัดทุกนะมันก็คงไม่พบธรรมะหรือพบไม่พบความไม่ทุกข์สิ่งที่เราทำเพียงแต่พลิกเท่านั้นเองนะเปลี่ยนทั่ไปเป็นความไม่ทุกข์ก็คงไม่ต่างจากการพลิกหน้ามือ ให้กลายเป็นหลังมือหรือว่าพลิกหลังมือกลายเป็นหน้ามืออันนี้มันเป็นการย้ำย้ำให้เราตระหนักว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำลายนะความทุกข์เพียงแต่เราเปลี่ยนมันเหมือนกับที่เราเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นขนมปังนะถ้าเราทิ้งแป้งไปเราก็อดกินขนมปัง หรือว่าข้าวดิบเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็นข้าวสุกถ้าเราทิ้งข้าวดิบไปก็อดกินข้าวสุกแต่ว่าจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนข้าวดิวกลายเป็นข้าวสุกได้ <c oughs> มันก็ต้องใส่ความร้อนนะหรือพูดให้มันอตัวอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนนะคือเปลี่ยนขยายกลายเป็นดอกไม้ ขยกะกับดอกไม้ที่ดูมันตรงข้ามกันเลยนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเกื่อกนกันมีดอกไม้ก็เพราะมีขยะจะขยะจะกลายจะทําให้กลายเป็นดอกไม้ได้เนี่นะจะจะเปลี่ยนขยะเป็นดอกไม้ได้มันก็ต้องมีมีเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้อยู่ถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ขยะก็ไม่ทําไม่สามารถเปลี่ยนขยะกลายเป็นดอกไม้ได้ เราจะเปลี่ยนทุกขกลายเป็นความไม่ทุกข์ก็ต <|si|> ้องมีสติต้องมีความรู้สึกตัวต้องมีความรู้ตัวมันถึงจะทำให้ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์มันทำให้ความโกรธเป็นความไม่โกรธได้ถ้ามีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้ตัวหรือสติแล้วเนี่ยโกรธก็ย yep ังเป็นโกรธอยู่ทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์อยู่อันนี้มันมีนัยยะที่สำคัญมากนะ เพราะว่าหลวงพ่อท่านชี้ชวนให้เราเนี่ยนะรู้จักใช้ประโยชน์จากทุกจากความโกรวจากความหลงแทนที่จะมองมันว่าเป็นของเลวร้านยะที่ต้องกําจัดที่ต้องทําลายอันนี้เป็นคําสอนที่แตกต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นและพอเห็นนี่เหลวงพ่อถึงพูดว่าเนี่ยต้องทําความทุกข์ให้กลายท่านพู้ว่า ความทุกข์มันทําให้ไม่ทุกข์ความกรัวมันทาให้ไม่โกรธความหลงทําให้ไม่หลงท่านพูช่นี้เพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยรู้สึกลบนะต่อความทุกข์ต่อความโกรธต่อความหลงเวลามันเกิดขึ้นพอถ้ารู้สึกลบแล้วเนี่ยความเป็นกลางหรือว่ารู้ซื่อเกิดขึ้นไม่ได้นะรู้ซื่อหรือมองด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีความชังไม่มีความรู้สึกลบไม่มีความรู้สึกผลักไสต่อทุกข์ต่อ ความโกรธนะต่อความหลงหรือว่ากิเลสตัวอื่นอไม่ต้องชังเพื่อกดข่มมันไม่ต้องชังแล้วกดข่มมันแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วหนีมันนะแต่ว่าประชิญกับมันแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เหมือนกับที่เราเจอขยะแล้วเราไม่ทิ้งเราเอาขยะเนี่ยมาทําให้เป็นดอกไม้เอามาทําให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เกิดดอกไม้ขึ้น ทุกมันก็เป็นปุ๋ยนะที่ทําให้เกิดธรรมแจ่มแจ้งในใจของเรานั่นสาระตรงนี้สําคัญมากนะที่อยากจะให้พวกเราได้พิจิตรณามันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทีเดียวนะในทุกมีความไม่ทุกนะในความโกรธมีความไม่โกรธในความหลงมีความไม่หลงนะเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกเปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลง ความทุกข์มันทำให้ไม่ทุกข์ความโกรธทาให้ไม่โกรธความหลงทำให้ไม่หลงใเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะหลงอยู่บ่อยๆหลงอยู่บ่อยๆแต่การหลงบ่อยๆนั่นแหละมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะถ้าเราหมั่นดูมันถ้าเราดูหรือว่าสัมผัส ก, กับความหลงบ่อยๆเราจะรู้ว่าความหลงหน้าตาเป็นอย่างไรอากับกิริยาเป็นอย่างไร เมื่อเราเจอความโกรธแล้วเราสัมผัสม า, ม า, มาบ่อยๆในฐานะที่เป็นผู้รู้หรือผู้ดูเราก็จะรู้จักรู้หน้าคาตามันมากขึ้นก็จะจํามันได้ว่าออกความหลงหน้าตาเป็นอย่างนี้ความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้ความทุกข์หน้าตาเป็นอย่างนี้มันทําให้ใจมีอาการแบบนี้ร้อนบั่งรู้สึกถูกบีบคั้นบั่งหรือว่าถูกเสียดแทงบ้างหรือว่าหนักบ้าง การที่เรารู้อาการของมันเนี่ยมันทําให้เราจํามันได้แม่นการที่เราเจอบ่อยๆทาให้เราจํามันได้แม่นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมันโผล่มาเราก็จะจําและเราก็จะไม่หลงเชื่อตามมันเหมือนกับคนที่มาหลอกเราหลอกเอาเงินเราแล้วเราก็เชื่อเขาหลอกเราทีแรกเราก็ยัง ไม่เข็ดไม่ละไม่จดไม่จำแต่หลอกเราหลายครั้งหลายครั้งเราจำได้ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเชื่อไม่ได้อย่าไปเชื่อมันครั้งต่อไปพอมันมาหลอกอีกเราไม่หลงเชื่อมันละกี่ครั้งนะที่ความโกรธมันหลอกให้เราทุกข์ความหลงมันหลอกให้เราทุกข์นะเพราะเราไม่รู้จักมันเพราะเรานะไม่มี ไม่รู้จําไม่ได้ในลักษณะอาการของมันการที่เราจําลักษณะการของมันได้เนี่ยภาษาบาลีวัตถิรสัญญาเมื่อเราจํามันได้เราก็จะรู้ว่าอเออเนี่มันไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นอีกเราก็จะไม่เชื่อมันอีกต่อไปหรือเชื่อก็เชื่อเป็นครั้งเชื่อได้ประเดี๋ยวประดาเราก็หนีมันถอยจากมัน ก็ทำให้ใจเราเป็นอิสระใจเรากลับมาเป็นปกติแล้วในการปฏิบัติเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นทุกว่าทําไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินทําไมมันหลงเยอะเหลือเกินให้รู้ว่านั่นแหละนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยเป็นอิสระจากความฟุ้งความหลงได้เพราะจะจําลักษณะอาการของมันได้แล้วก็จะไม่หลงเชื่อมันต่อไปหรือว่าอาจจะเผลอ โดนมันหลอกไปแล้วแต่ก็รู้ตัวแล้วก็สลัดมันได้ที่เคยฟุ้งเป็นวักเป็นเวน78เรื่องถึงจะรู้ตัวตอนหลังแค่เผลอคิดเท่านั้นเผลอฟุง้งเท่านั้นก็รู้แล้วก็วางอันนี้คือคือสิ่งที่เราจะสัมผัสได้นะจากการปฏิบัติของผู้ฝึกใหม่ซึ่งก็จทำให้เราเข้าใจอ๋อที่หลวงพ่อสอนว่าเนี่ยความหลงทาให้ไม่หลงได้อย่างไรความโกรธทาให้ไม่โกรธได้อย่างไรและความทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์ได้อย่างไร แต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะแล้วเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วนี่ความทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะซึ่งส่วนนึงก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเนี่ยเมื่อเราได้พิจารณาเห็นความทุกข์บ่อยๆเราก็จะเห็นถึงความไม่ถึงความไม่เราจะเห็นถึงสายเหยื่อของความทุกข์แล้วก็เห็นยาวต่อไปถึงสายเหยื่อความไม่ทุกข์อย่าลืมว่าในสวิตไฟเนี่ยนะ สวิตที่ทำให้เกิดความสว่างและความมืดคือสวิตเดียวกันสวิตที่ทำให้เกิดความมืดมันไม่ใช่คนละตัวกับสวิตที่ทำให้เกิดความสว่างมันอยู่ด้วยกันกดตรงนี้ก็ทำให้มืดกดตรงนี้ก็ทำให้สว่างไม่ใช่คนละตัวรูกุญแจนะที่ปิดล็อกให้ราหมดอิสรภาพหรือรูกุญแจที่ใช้ขังเราก็เป็นรูกุญแจเดียวกันกับ ที่จะเปิดให้เราเป็นอิสระนะมันไม่ใช่คนลาลูกันงั้นถ้าเร า, เาพิจารณาแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่าคือพอพิจารณาแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจนะเราจะเข้าใจนะสัญลักษณ์หยินอย่างที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตรงที่เก็บที่วางรองเท้าเนี่ย อันนั้นคือสัญลักษณยินยางนะยินยางเนี่ยคือว่ามันมีดำกับขาวอยู่ด้วยกันนะก็เหมือนก็ทุกข์กับความไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แคนนันนะสิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามอยู่ด้วยกันพระเจา้าตรัสว่าความตายอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความมีโรคอยู่ในความไม่มีโรค มันไม่ใช่อยู่คนละขั้วนะมันอยู่ด้วยกันเลยในสัญญาณหยินหยางเนี่ยนะส่วนที่เป็นขาวเนี่ยมันจะมีดําอยู่ข้างในส่วนที่เป็นดําเนี่ยมันจะมีขาวอยู่ข้างในสิ่งที่ดูมันตรงข้ามที่จริงมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ใกล้กันอยู่ประกอบกันเหมือนกับมือมือกันหน้ามือกับหลังมือแล้วก็มันไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันลักษณะนั้นแต่ว่ามันอยู่ในเนื้อในตัว ดำอยู่ในขาวและขาวอยู่ในดำและดำเนี่ยมันกลายเป็นขาวได้นะลองดูสังเกตส่วนที่เป็นหัวของดำเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของหางของพื้นที่สีขาวและส่วนที่เป็นหัวของสีขาวเนี่ยมันก็คือหางของส่วนที่เป็นพื้นที่สีดำที่หลวงพ่อพูดมานะในทุกมีความใม่ทุกนะ หรือว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หรือว่าความทุกข์มันทําให้ไม่ทุกข์เนี่ยมันตรงออกับที่มันตรงออกับความหมายในสัญลักษณ์ยินอย่างเลยนะถึงถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมมากมันไม่ใช่แค่ เ, เรื่องปรชัชญาสระาการคิดแต่ว่ามันเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสระการปฏิบัติอันนี้เองคือเหตุที่หลวงพ่อท่านได้พูดอยู่ บ, บ่อยๆนะ สำนวนเล่านี้มันไม่ใช่เป็นแค่สำนวนหรือพูดให้ดูรู้แต่มันมีในญาติสหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความเพื่อความพ้นทุกข์นะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะปฏิบัติผิดพลาดได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยทำให้เรามีการปฏิบัติอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นเอลชานี้ก็เพิ่มกับท่านนี้อั้รับพร